ข้อที่37บุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงคบพวกบาปมิตรไม่พึงคร บ, บรูปบุตรตำสามพึงคบพวกกัลยานมิตรพึงครบรวกบุรุษสูงสุดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพระเชความว่าบัณฑิตพึงคบคือเข้าไปนั่งใกล้บทว่าปุริสาธรรมได้แก่พวกบุรูปผู้เลวซาม คือผู้บุตผู้ต่ำช้าบทว่าพระเชธะแปลว่าพึงครบก็บรรดาชนสองพวกนี้ชนเหล่าใดยินดียิ่งในการยัตุจริตเป็นต้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบาปมิดส่วนชนเหล่าใดประกอบในอัถธธนะมีการตัดที่ต่อเป็นต้นหรือต่างด้วยการมีอเนษนา21ประการเป็นต้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบุุษผู้ต่ำสาม อีกอย่างหนึ่งชนแม้ทั้งสองพวกนั้นเป็นทั้งบัตมิตรเป็นทั้งบุรุษต่ำสามเหล่าชนที่ตรงกันข้ามจากชนสองพวกนั้นชื่อว่าเป็นกัลยะาณมิตรเป็นทั้งบุตรผู้สูงสุดดังนี้แล